ขอบพระคุณค่ะขอการาบคลรวะหลวงพอ่อมหาดิเรกซึ่งเป็นประธานสงฆ์นี้แล้วก็ขอการาบคลรวะครูบาอาจารย์ปะเทละมัชฌมะนวกะแล้วก็ขอ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 สามัญสาเนี่ยแหละเรียกว่าจะบวชตลอดชีวิตมาเจอแหม่มลากไปอยู่แคนาดาไปอยู่ถึงยี่สิบสองปีตอนนี้กลับมาอยู่สองปีแล้วมาเจอหลวงพ่อมาหากันแล้วเ อ, อแต่ก่อนหน้านั้นก็พอมีลูกอยู่ที่นอนคนหนึ่งอายุยี่สบสามปีแล้วตอนนี้เราก็นี่ยแหละเราก็ไปแล้วเราก็แยกกัน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 แรงมากแล้วมาดูจากผู้ปฏิบัติที่แต่ละคนที่เข้ามานี่เนี่ยมันมีหลากหลายเราก็จะเห็นเห็นเห็นคนหลากหลายเราก็มาเห็นภาพรวมมาเนะว่าโอ้ทุกของเราไม่เท่ากันหมดเลยอะนะฮะทุกท่านมันมันเหมือนกัน่ะมันอันเดียวกันด้วยซ้ะนะก็เลยไม่อยากมันมันไม่อยากกลับไปตรงนั้นอะมันอยากจะไปอยู่กับปัจจุบันอะอยู่กับปัจนุบันขณะเนี่ย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 ถ้าเราไม่มีความกลัวเสยอย่างเราทําอะไรได้หมดเลยนะคะแล้วก็ปัจจุบันขณะเนี่ยเราเดินขึ้นบันไดตั้งพันกว่าขั้นเนี่ยมันไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเลยมันมันเหมือนเหมือนเราเดินไปที่ลาบเนี่ยมันไม่เหนื่อยไี่มีความเหนื่อยเพราะเมื่อวานนี้ใครเออบางคนที่ว่าเออเราหนีเที่ยวไม่ใช่เราไปเดินจิงโก้ขึ้นเขาอะ่ะมันสุดยอดอะ่ะมันสุดยอดมากนะนะะนก็คงจาฝากแค่นี้ค่ะ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 ก็คงจะเท่านี้นะคะการน้มัสกานหลวงพ่อแล้วก็พระเถระนุเถระทุกรูปแล้วก็สวัสดีญาติธรรมทุกท่านนะครับก็ไม่ไม่คิดว่าจะได้พูดนะครับแล้วก็ก็ไม่ไม่ไม่ค่อยอยากจะพูดด้วยเพราะว่ากลัวพูดไม่ถูกครับคือมาครั้งนี้เป็น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 ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเยอะมากนะครับซึ่งตัวเองเดี๋ยวนี้ยังอยู่ทั่วๆไปอย่างในเมืองเนี่ยนะครับเราก็ไม่รู้ว่าพระดีพระไม่ดีเยอะๆไปหมดนะครับเดินผ่านหน้าบ้านมาองเดียวแล้วก็หรือมีรถมาลูกนิมิตอะไรผ่านมานมเยอะจนจนเราต้องต้อง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 ผมก็มีเพียงเท่านี้ครับผมครับดีครับขอกราบนรรมจัการหลวงพ่อและญาติธรรมทุกท่านคะ mm ่ะ hmm. ปฏิบัติมาก็หลายปีแล้วคะ mm ่ะ hmm. แต่เป็นมันเป็นคุนใหม่อยู่ตลอดคะ mm ่ะ hmm. เคยแต่ก่อนก็มีทุกข์หลายคะ mm ่ะ hmm. ทุกข์หลายจนสิขาดตัวตายแล้คะค mm ่ะ hmm. หรือเข้ามานี่ไง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 บอกกันว่าบุ้มมีแนวสิเปรียบเทียบลรือค่ะพราเจริญสติเข่ามาังมากคือมันสิเบาเลี้ยวไปใส่กะสาว่างไปเบิรปฏิบัติมาเรื่อยๆล่ะค่ะปฏิบัติกับการทํางานพ่อมีสายงานกะไปน้าสายงานละ่ะกะไปเข้าเจ็บอารมณ์ค่ะเป็นเดือนน้าหลวงพ่อจัลันค่ะก็มาที่นี่กามา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 มันมันก็ดีขึ <hm ้นเยอะอะแล้วก็โชว์ดีขึ้นมากๆเลยนะพอเพราะมีค่ะตั้งขอสังเกตไหมว่าการเริ่มปฏิบัติธรรมคั้งแรกสมัยเป็นเด็กโดยใช้วิธีห่อตอนนั้นท่านที่ไม่ต็นใจอะไรนะค่ะแต่พอเมื่อสีแวด้อบในสถานการณ์มันมาเับาก็ทำทไปทามารั้เป็นดิใส่ความสนุน พอดีคนส ม, มนองเราเคยทําให้ปิดตัวเองแล้วก็ไปแอ บ, บทาตรงนี้เป็นอะไรบางอย่างที่ผู้ปกครองหลายคนเห็นดุ ด, ดือเสมก็อยากจะเข้าปฏิบัติแต่ว่าจิตมันไวมากพอไ่างทเข้าไปสู่ความสมองปัก น, น, น, นี่ก็ติดเพไาะปฏสมองเพราะปฏิสุอกาเป็น อ, อยากจ อ, อ, อ, อ, อ, อยู่ด้วยตัวเองแต่ว่าทางั้านดิจิตนิยมเพราะนะที่เราจะต้องไปพบปะผุกคนที่เราไปทําการทํา ง, งานเข้าไปเรียนทุกสิ่ง ใจตัวนั้นเป็นสิ่งสมคัญที่ทำให้จิตใจเร า, อ, าอันผลได้นะดังนั้นก็ อ, อยากจะให้เป็นแบบอย่างในการแก้ไขเพาในเริ่มต้นไม่เครร้วมเหตการ์แนี้เปอย่างนี้นะแต่เราก็มีการแก้ไขในการพบกับอุบัติาร์ ก, าา ก, ก็ชือ่อโดยตัวเองไันมาตลอดค่ะค่เป็นจุบันทย่คิว่าปลอดภนะัยเออถ้าอ่างโนี้นะ<ถ>าปเป็นไวคือโรคซึมเศร้าโรคซึมเศร้าด้วยอ่ะซึมเศร้าย